เจิญพระวจนะในหัวข้อโห่ร้องด้วยความชื่นบาดพระวชนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่หกสิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อสิบสาความว่าข้าแต่พระเจ้าในสิโยนการสรรเสริญควรแก่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคําำอธิษฐานเขาจะทําการแก้บนแก่พระองค์มนุษย์ทั้งสิ้นจะมาอย่างพระองค์เนื่องด้วยบาป เมื่อการละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลายชนะข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงอภัยให้สุขจริงหนอผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนํามาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณปณนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งปรนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่น่าคลั่นคกลมพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้นพระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกำลังของพระองค์ทรงคราดพระองค์ไว้ด้วยอานุภาพผู้ทรงระงับเสียงอึงคืนของทะเลเสียงอึงคืนของคลื่นทะเลเสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย ผูที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์พระองค์ทรงกระทํำให้เช้าขึ้นและเย็นลงกูก้องด้วยความชื่นบาดพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงลดน้ําพระองค์ทรงกระทำให้อุดมยิ่งแม่น้ําของพระเจ้ามีน้ําเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทร ง, งจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละพระองค์ทรงลดน้ําตามรอยไถของมันอย่างอุดม แต่ให้ขี้ไถราบลงให้อ่อนละมุนด้วยฝนและทรงอวยพรผลิตผลของมันลงให้ปีเป็นยอดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยลดของพระองค์มีความไปบุญย้อยหยดทุ้งหญ้าในถิ่นทุระกันดานก็หยดย้อยเดินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบานป่าพงห่มด้วยฝูงแพะแกะปุบเขาเปล่าไปด้วยข้าวเขาโอ๋ร้อง และร้องเพลงพร้อมกันด้วยความชื่นบานขอบพระเจ้าไปพอ่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พี่น้องมีความสุขดีไหมครับเป็นคำถามแบบปิดนะครับใช่หรือไม่แ้่นั่นเอง หวังว่าทุกท่านมีความสุขนะครับเราหลายๆคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขคนที่เชียกกีฬาช่วงนี้ก็อยากจะให้บอลลบอลทีมหญิงทีมชาติไทยก็ชนะใช่ไหมครับแต่พอเล่นในบ้านนะแพ้รวดเลยใช่ไหมครับคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนัดชิงชนะเลิศแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเชียร์สองทีมนี้หรือไม่ คนที่เชียร์ก็รุ้นที่จะมีความสุขถ้าทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะมีเรื่องเล่าว่ามีชายสามคนนะครับเขาคุยกันเรื่องของความสุขของคนอื่นว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเลงอีกคนที่สองเป็นนักพนันคนที่สามเป็นนักการเมืองที่คอร์รัปชันขณะที่นั่งเครื่องบินบนบินอยู่บนกรุงเทพกําลังจะลงจอดที่สนามบินเขาก็คุยกันว่า คุณรู้ไหมถ้าผมโยนแบงค์หนึ่งพันลงไปเนี่ยข้างล่างคนข้างล่างหนึ่งคนจะมีความสุขเพราะว่าได้รับแบงค์นี้อีกคนก็เกทับครับคุณให้คนมีความสุขแค่คนเดียวเองเหรอถ้าเป็นผมนะผมจะให้แบงค์ห้าร้อยลงไปอย่างน้อยก็มีสองคนมีความสุข ได้เยอะกว่าคนอีกอีกคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองบอกว่าผมจะโยนเหรียญสิบลงไปดีกว่าอย่างน้อยมีตั้งร้อยคนที่จะมีความสุขแล้วนักบินก็หันมาบอกกับพวกเขาว่าขอโทษครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะทีพวกคุณลงทั้งสามคน คนไทยทั้ง67ล้านคนคงจะมีความสุขอีกเยอะนะเพราะว่าเมื่อเราฟังดูแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าคนเรานั้นปรารถนาเรื่องของความสุขทุกๆเช้านะครับเราส่งความสุขให้ไก่กันทางไลน์ขอให้มีความสุขขอให้รวยขอให้มีเงินเยอะๆขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่คำอวยพรมักจะเป็นขอให้มีเงินมากกว่า นั่นคือสิ่งที่ลหลายหคนปรารถนาแต่พระวจนะของพระเจ้าในเช้า ว, วันนี้ได้บอกกับเราว่าความสุขของคนของพระเจ้าคนที่นมัสการพระเจ้านั่นคือเขาจะมีชีวิตที่ปรารถนาในการแสวงหาที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นโอกาสที่เขาจะได้พบกับพระเจ้าและการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา ถ้าทำสดุดีบทนี้นะครับใช้ในการร้องในเพลงในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลแรกที่พวกเขายื่นถวายแด่พระเจ้าเมื่อฟังผู้ปกครองอัญเชิญเมื่อสักครู่นะครับทำให้ผมเคริบเคลิ้มไปกับเรือสวนไร่นาเพราะผมเติบโตมากับเป็นการเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาครับเห็นเห็นภาพหลายๆภาพตอนที่ดินพระาชะของพระเจ้าตอนท้ายที่ไปถึง การกบขี้ไถให้มันราบลงทําให้ผมคิดถึงตอนเด็กๆที่ผมไปจับปลาตามรถไถหรือว่าควายที่มันไถที่เขากําลังไถนานะครับกำลังปาดหน้ า, นนาดินเพื่อจะเตรียมปลูกข้าวขณะที่รถไถนาหรือว่ากระบือที่มันลากคลากไปเพื่อให้หน้าดินนั้นเรียบนั้นนะครับมันก็จะมีปลาที่ ไหว้แแวกไหวยน้ำคโคลนออกมาเราก็มีอุปกรณ์ในการตักล้วก็ตักแย่งกันตักมันสนุกมากไม่ทราบว่าพี่น้องเคยเห็นาชาวนาที่เขากำลังาหาปลาหรือว่าคนที่าหาปลาตามที่ทุง่งนาไหมครับถ้าเคยนะครับเราจะเห็นภาพแบบนั้นตามตามกันไปขณะที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ กษัตริย์ดาวิดเองเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะเข้าพบกับพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าในพระนิเวศของพระเจ้านั้นท่านจะได้พบกับการทรงชำระในความผิดบาปจะได้พบกับพระเจ้าในริษฐานุภาพอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์นั้นได้สาแดงที่พระเจ้าได้สาแดงให้กับเขาทั้งหลายได้เห็นผ่านทางธรรมชาติผ่านทางอาชีพการงาน ผ่านทางชีวิตประจาวันของพวกเขานั้นการสันเสริญพระราชกิจอันขั้นคล้่งของพระเจ้านั้นทำให้ทุกมุมโลกปรารถนาที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าและในตอนท้ายของพระธรรมบทนี้จึงบอกว่าเขาโห่ร้องด้วยเสียงอันดังสันเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบานสันเสริญพระเจ้าประการที่หนึ่งครับพระพรของพระเจ้าในพระนิเวศ ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4ี่บทเพลงสรรเสริญนี้จึงร้องด้วยเสียงชื่นบานในพระนิเวศของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับในการมัสการของเราถ้าพี่น้องได้ยืนอยู่บนเวทีนี้และมองลงไปขณะที่ทุกๆกท่านผู้นอมอสการ์พระเจ้าร้องเพลงนะครับใบหน้าของท่านนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสนันแสดงว่าท่าน มีความสุขและยิ่งกว่านั้นมีสันติสุขในพระเจ้าที่เราได้นมัสการได้สรนเริญพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงอภัยโทษบาปพระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในพระนิเวศของพระองค์นั้นเราได้รับการชำระนั้นพื้นฐานของคนในพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปได้เข้าสู่พิธีในการชำระโทษบาปนั้นใน พระนิเวศหรือว่าในพระวิหารของพระเจ้าในพระพราของพระเจ้าที่กลโวหิตใช้เครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเขาถูกนํามาใกล้จฉเพาะพระพักของพระเจ้าและทำให้เกิดความพึงพอใจนั่นเขาจึงรู้สึกว่ามีความสุขเพราะพระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาเมื่อเขามาอยู่ใกล้พระนิเวศของพระเจ้าในข้อที่สี่จึงบอกว่าสุขจริงหนอผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนามาใกล้ ให้พำนักอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยของดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ุรลุหิตดำรงชีวิตด้วยเครื่องถวายบูชาที่เสร็จจากการเครื่องบูชาแล้วจากการถวายบูชาแล้วนั้นเขาจึงได้รับความอิ่มเอิบและในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้านั้นมีการเฉลิมฉลอง ระบบเครื่องสตวบูชาซึ่งนำทําการชําระความบากของประชากรของพระเจ้าในพระวิหารนั้นแม้ว่าสิ่งที่ประชาชนได้ประนานและยิ่งกว่านั้นในพระวิหารนั้นเป็นการพบปะของพระเจ้าที่โปรงส่งพบปะประชากรของพระองค์และเขาก็จะพบกับความดีของพระเจ้า เขาได้มีโอกาสมาสามัคคีรรมมาชุมนุมกันและทั้งสิ้นนี้ก็ไม่ใช่โดยความดีที่เขากระทําหรือว่าโดยอาชีพการงานของแต่ทัางนี้ทั้งนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าแม้กระทั่งมหาปูหิตเองที่เป็นมนุษย์เขาก็ยังต้องชําระความผิดบาปของตนเองและต้องการรับการอภัยโทษจากพระเจ้า เนื่องจากเพราะว่าโดยที่จะใช้โลหิตของเลือดหรือว่าเลือดของสัตว์มาอภัยโทษบาปแก่พวกเขานั่นเองการอภัยโทษบาปนั้นจึงใช้เลือดซึ่งเป็นเครื่องมือหรือว่าแทนเป็นเครื่องหมายแทนชีวิตของผู้ที่ทำผิดต่อพระเจ้าถ้าไม่มีเลือดไหลออกก็จะไม่มีการให้อภัยโทษบาปเลย กษัตริย์ดาวิดจึงได้กล่าวว่าบุคคลที่ได้รับการอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือผู้ที่กลบเกลื่อนบาปให้นั้นบุคคลซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่มีไม่มีการหลอกลวงในใจของเขานั่นเองจึงมีความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์นี่เป็นพระพรและเป็นพระพรมาสู่ยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน เราจึงพบว่าในพิธีมหาสนิทนั้นก็มีความหมายเช่นเดียวกันคือการที่เราเรเลึกถึงการไถ่ขององค์พระเสุคิเจ้าที่พระองค์ทรงไถยชีวิตของเราทั้งหลายโดยการตายบนไม้กางเขนเป็นความหมายเช่นเดียวกันกับพระกัมภีร์เดิมในการหลั่งโลหิตหรือว่าการหลั่งเลือดเพื่อจะนําประชากรของพระเจ้านั้นกลับมาสู่พระองค์และเขาทั้งหลายได้รับการคืนดีแก่กันและกันและพระเจ้าก็ ตรัสกับพวกเขาทางคำเทศนาที่จะแม้ว่าจะหลากหลายรูปแบบแต่ก็เพื่อการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าของประชากรของพระองค์และก็จะส่งผลกลับมายัางพระเจ้านั้นก็คือว่าประชากรของพระเจ้านั้นจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์และจะมีชีวิตที่สันเสริญพระองค์ระหว่างที่เขาไม่ได้มาชุมนุมกันนั้น ดังที่พระสยซิจเจ้าได้กล่าวได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อ16บหกอกว่าเมื่อเขาทาั้งหลายได้เห็นความดีที่ซึ่งท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์การมรสการพระเจ้าในพระวิหารในพระธรรมสุรุดีบทนี้เป็นการแสดงออกถึงความร่าเริงยินดีที่เขาได้รับการปลดปล่อยจาก ภาระที่หนักอึ้งนั่นคือความบาปภาระที่เขาต้องต่อสู้เปรียสกจเจ้าพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนก็เพื่อจะถูกยกขึ้นและพระนามของพระองค์ก็เป็นที่สัรเสริญท่ามกลางประชาชาติทั่วโลกพระองค์เชื้อเชิญผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาหาพระองค์และวางภาระทั้งหลายไว้กับพระองค์บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา เราจะให้ท่านหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอะของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพอ่อนโยนและจิตใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้พักเราจะได้พักภาระทั้งสิ้นในพระองค์นั่นคือความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์พระธรรมฮีบรูบทที่สิบ ข, ข้อยี่สิบห้าหนุนใจเราว่า อย่าขาดประชุมอย่าขาดการประชุมแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นพราั้นเราจะบอกพี่น้องว่าอาทิตย์หน้าอย่าขาดโบสถ์นะครับผมเชื่อว่าคนที่รับฟังอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วครับแต่ประโยคอีกประโยคหนึ่งที่พระธรรมตอนนี้บอกว่าจงพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นเราพูดว่าอาทิตย์หน้าพบกันอีกนะครับมารับพระพรของพระเจ้าด้วยกัน ก็ทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นได้รับการหนุนใจและมีความปรารถนาอยากจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันพี่น้องล้องหันคุยกับคนข้างซ้ายข้างขวาทีครับว่าอาทิตย์หน้าพบกันและเราจะรับพระพรของพระเจ้าร่วมกันครับรู้สึกดีนะครับครับประการที่สองครับพระเจ้าในโลก เมื่อเราเข้ามาสู่พระนิเวศของพระเจ้าคือพระวิหารของพระเจ้าและเราก็ต้องออกไปสู่โลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างผู้เขียนสะดุดีมั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานและพระเจ้าทรงเป็นความหวังทั้งสิ้นของมนุษย์ทั้งปวงคำตอบอธิษฐานในการอธิษฐานนั้นอยู่ในพระเจ้าแม้ว่าเราทั้งหลายอาจจะพบว่าหลายครั้งพระเจ้าเงียบหลายครั้งพระเจ้าตอบทันทีทันใด หรือพระเจ้าไม่ตอบหรือพระเจ้าอาจจะตอบช้าเราก็พบว่าที่พระเจ้าไม่ตอบนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าตอบแล้วนะครับว่าไม่ตอบที่เราต้องการนั่นก็คือว่าพระองค์จะไม่ให้นั่นเองและพระองค์บางครั้งถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ต้องการและเป็นที่สวัสเกียรติแด่พระองค์พระองค์ก็ตอบทันทีทันใด บางทั้งพระองค์ก็ให้เราเรียนรู้กับพระองค์ที่จะรอคอยคําตอบจากพระองค์พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเราโดยริธานุภาพของพระองค์ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่ตามความปรารถนาของเราพระองค์ทรงสำแดงลิธานุภาพทั้งสิ้นนี้โดในธรรมชาติพระองค์สถาปนาภูเขาพระองค์ระงับเสียง อึอึ อ, อ, อึกอึงคืนขนองทั้งหลายของทะเลทะเลที่อดระโวดนั้นพระเจ้าก็ทําให้มันสงบพระเจ้าของอิสราเอลไม่ได้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพียงผู้เดียวแต่เป็นพระเจ้าของชนชาติทั่วโลกนั้นดังนั้นเองพระชนะของพระเจ้าจึงบอกว่าคนทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นจึงจะมาหาพระองค์ ดังที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่แล้วว่าเพราะในพระองค์นั้นมีการอภัยและมีการเริ่มต้นใหม่และมีการให้กำลังใจมีการหนุนใจแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะใหญ่โตมากมายทะเลคลื่นทะเลที่เวลามันคึกขนองนั้นหรือว่าช่วงนี้ที่ฝนพายุฝนกำลังเข้ามานั้นมันอันตรายมากแต่เรา ไม่ได้ไว้วางใจในภูเขาที่ใหญ่โตเราไม่ได้วางใจในทะเลที่น่ากลัวแต่เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ทั้งสิน้นความโหดร้ายทั้งหลายนี้ความน่ากลัวทั้งหลายเหล่านี้แต่พระเจ้าทรงควบคุมอยู่นั้นนั่นเองเราจึงพบว่าผู้เขียนสะดุดีนั้นบอกเชิญชวนให้เราได้รู้ว่าไม่เพียงแต่ดวงอาทิตย์ยามเช้า ดวงอาทิตย์ที่เราทั้งหลายอยากจะดูเวลาตะวันขึ้นหรือว่าเวลาตะวันตกความสวยงามลมนั้นสันเสริมพระเจ้าแต่แม้กระทั่งผู้คนทั้งหลายก็สันเสริมพระเจ้าแม้ว่าผู้คนไม่สันเสริญพระเจ้าชวนพี่น้องให้คิดถึงตอนที่พระคริสตเจ้านักขีฬลาเข้าไปกรุงยเยรูซาเลม็มในวันอาทิตย์ทางตะว น, นั้นผู้คนต่างสรรเสริมพระองค์ ร้องโหสนาแต่ผู้นำศาสนาพวกฟาริสีมาขอร้องให้พระเยซูบอกว่าขอให้คนของท่านนั้นหยุดร้องสรรเสริญสิเถิดพระเยซูตอบพวกเขาว่าไงครับแม้ว่าคนไม่สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ก้อนหินเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ธรรมชาติทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมันก็มี ถูกสร้างอยู่และถูกตั้งอยู่วางไว้เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจะสุขหรือทุกข์จะอยู่ในที่ลึกหรือว่าอยู่ในที่สูงการสรรเสริญพระเจ้านั้นเป็นการทำให้เรา n a นได้สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราในการทรงสร้างในความรัก ในฤทธิ์อำนาจการพิทักษ์รักษาของพระองค์ที่มีต่อเราในชีวิตประจำวันนั้นจอห์นแมคกอาเธอร์ได้กล่าวว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดเผยถึงพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราประกาศพระวจนะและพระวจนะก็ได้นำคนอื่นๆมาถึงพระคิดเรากําลังถวายเกียรติแบ่พระเจ้าในหนทางที่สุด เพราะเมื่อคนคนหนึ่งได้รับความรอดเขาก็ได้เริ่มต้นการนมัสการด้วยจิตอิญญาณและความจริงและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นวงจรแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ได้เริ่มต้นที่ชีวิตของผู้เชื่อเมื่อเราขอต่อพระเจ้าพระองค์จะสําแดงถึงความยิ่งใหญ่ของเราของพระองค์ให้กับเรามัทธิวบทที่7ข้อที่7ได้กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบ จงเคาะและจะเปิดเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่หาก็จะพบทุกคนที่เคาะพระเจ้าก็จะเปิดเผยพระองค์ให้กับผู้นั้นสิ่งสุดท้ายในเช้า ว, วันนี้พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวการทรงประทานการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นพื้นฐานของชีวิตของคนอิสราเอลซึ่งมีอาชีพในการกษะซิกรรมในการ ทำไร่ไถานาการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์พระเจ้าทรงควบคุมธรรมชาติพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพระองค์ทรงรดน้ำให้พืชไร่พืชนาของเขาด้วยฝนและเขาก็ได้สัมผัส ถ, ถึงการดูแลของพระเจ้าการที่เขาเป็นพลเมืองของพระเจ้านั้นเขาจึงได้รับพระพอรอย่างอุดมสมบูรณ์และแม้กระทั่งในปัจจุบัน ในอาณาเขตของการปกครองของอิสราเอลและปาเลสไตน์บนถนนที่มีพื้นดินพื้นที่สองข้างทางฝั่งซ้ายเป็นเขตปกครองปาเลสไตน์ฝั่งขวาเป็นเขตปกครองอิสราเอลฝั่งขวามีแต่ทรายแทบจะไม่มีหญ้าหรือต้นไม้แต่ฝั่งซ้ายที่เป็นของอิสราเอลนั้นมีแต่สวนมีแต่พืช เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งประชากรของพระองค์ผูเ้เขียนสดุดีจึงสรุปว่าธรรมชาติทั้งสิน้นร้องโห่ร้องด้วยความชื่นบานสรรเสริญพระเจ้าแล้วทั้งหลายได้รับพระพร น, นั้นเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้สรรเสริญพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าโดยริดอานาจของพระเจ้าในการเนรมิตสร้างและ ผลผลิตทั้งหลายที่พระองค์ส่งประทานให้นั้นแม้ว่าเราทั้งหลายจะอยู่ในสังคมแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปหาผลิตภัณฑ์ในตามห้างตามร้านค้าเราไม่ได้ไปห า, หาอาหารหรือว่าไปหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต, ต, ตามพืกสวนไรนาเราอาจจะเห็นรอยยิ้มเราอาจจะมีรอยยิ้มเมื่อเราได้เห็น เกษตรกรขับเกวียนและมีพืชไร่พืชนาของเขามาเต็มเกวียนเมื่อเกวียนสะดุดหินเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลตที่เขาเก็บเกี่ยวมานั้นฟองฟู่กระดอนเป็นผลิตผลที่น่าเก็บเกี่ยวปัจจุบนันการเกษตรกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรม เราอาจจะเห็นภาพนี้ได้อีกขึ้นได้ได้น้อยลงจากที่เกษตรก ร, ร, กรที่ทำแบบดำรงชีวิตในการทำเพื่ อ, อเลี้ยงชีพไม่ได้ทำเพื่ออุตสาหากรรมแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าไ ม, ไม่เพียงดูแลเคียงชาวคนที่ทำเกษตรกรเรษ ก, รกรเรษตรกรรมเท่านั้น แต่พระองค์ทรงทําในทุกๆอาชีพของประชากรของพระองค์เมื่อเราแสวงหาพระองค์เมื่อเราวางใจในพระองค์เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์จัแหลมได้นําประวัติของบทเพลงพระองค์พระองค์ผู้ทรงศรัทธาหรือว่าโอ้ความสจริงยืนยงมาให้กับพี่น้องแล้วนะครับบางท่านที่มาช้านะครับเนื่องจากสคริปต์เราตรงกันนะครับโดยการทรงนําของพระเจ้าก็จะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับว่า ผู้เขียนบทเพลงที่เราจะร้องด้วยกันอีกสักครู่นี้นะครับคือโทมัสโอซิสโฮมนะครับเขาเป็นเด็กที่ยากจนแต่ว่าในชีวิตของเขานั้นเป็นคนที่ขยันเรียนเขาด้วยความยากจนนั่นเองเขาจึงได้เรียนแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้นเองแต่เขาก็ทางานได้ทำงานเป็นครูในโรงเรียนที่บ้านเกิดของเขา และยังได้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เขาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่ออายุ27ปีและด้วยความกระตือรือร้นของเขานั้นเขาได้เป็นผู้อภิบาลคริสตจักรแห่งหนึ่งในคณะเมธอดิสต์แต่ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีทั้ที่เราได้ยินเมื่อสักครู่แล้วนั้นเขาก็ละออกจากการรับใช้แต่เขาดารงชีวิตด้วยการขายประกัน ในประสบการณ์ของเขาในการติดตามพระเจ้านั้นเขาบอกว่ารายรับของผมไม่ได้มาอย่างเป็นกอบเป็นกรรมไม่ว่าเวลาใดก็ตามทั้งนี้เพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ถึงกระนั้นก็ตามผมไม่ลืมที่จะบันทึกว่าพระสัญญาแห่งความศรัื่อเที่ยงตรงของพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลวของประธานสิ่งดีที่ให้นั้นเต็มล้นในใจของผม ด้วยความชื่นชมยินดีเขาได้ประพันธ์บทเพลงด้วยพื้นฐานของพระธรรมบทเพลงข้ามขวรบทที่สามข้อ2 1 2สถึงที่บอกว่าข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อข้าพเจ้าคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ ใหญ่ยิ่งนักแล้วทั้งหลายจึงตอบสนองพระเจ้าด้วยการนมัสการซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงกระทาในอดีตในปัจจุบันในชีวิตของเราและในอนาคตพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองและในพระราชกิจแห่งการไทยการพิพ า, ากษาการนำแผนการของพระองค์ให้สาเร็จในปริยสุคล และเราทั้งหลายก็ตอบสนองพระองค์ด้วยการเฉลิมฉลองพระคุณของพระองค์ความรักของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยความเชื่อศรัทธาด้วยจิตใจที่สํานึกในพระคุณยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและถวายตัวเราให้กับพระองค์ดังนั้นเองทั้งสิ้นที่โปรง่งสร้างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสรรพสิ่งทั้งหลายและมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดหรือว่า จุดสูงสุดสุดยอดในการทรงสร้างของพระองค์นั้นเราจึงโหร้องด้วยความชื่นบานถวายแ ด, ด่พระเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรคร